ขณะที่ธนิยะจอดพักขบวนเกวียนณบ้านนาธิกรามนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่คณะนักฟ้อนและมายาการคือนักแสดงกลเดินทางมาจากก ร, รุงไผลาลีพักแสดงอยู่ณตำบลบ้านแห่งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะบายหน้าไปทางทิศเหนือสู่เมืองสาเจตและสาวัตถีโดยลำดับนาธิกรามเป็นหมู่บ้านสองตำบลใหญ่ดังกล่าวจึงมีผู้คนคับคั่งพอที่คณะนักฟ้อน และนักแสดงกลจะมาตั้งแสดงเจ็บค่าดูจากประชาชนทั้งหลายได้ประมาณว่าในระยะ6เดือนหรือปีหนึ่งคณะนักฟ้อนเหล่านี้จะเดินทางไปแสดงตามหัวเมืองต่างๆได้เกือบทั่วถึงความสามารถของบุคคลเหล่านี้ทั้งหญิงชายคือการฟ้อนรำร้องเพลงและการแสดงกายกรรมกระโดดขึ้นไปบนแป้นสูงหลายสิสอหมุนตัวฟ้อนรำขับร้องหรือแสดงกลอื่น ประชาชนที่มาชุมนุมดูนั้นหนึ่งแน่นนับจำนวนร้อยจำนวนพันผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็ต้องใช้เตียงวางแล้วขึ้นไปยืนดูบนนั้นและที่อยู่หลังออกไปอีกก็ต้องนำเอาเตียงมาซ้อนกันสองชั้นยืนดูเป็นการสนุกสนานดังได้สะดับมา ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ออุคเสนะเป็นบุตรแห่งเศรษฐีแห่งกรุงราชคฤืมีความหลงไหลในรูปโฉมและศิลปะแห่งการฟ้อนการขับเพลงของบุตรีหัวหน้านักฟ้อนถึงกับอ้อนวอนบิดาให้สู่ขอให้เมื่อไม่เป็นที่ตกลงกันก็ออกจากบ้านตามไปกับคณะนักฟ้อนนั้นและหัวหน้านักฟ้อนมีความเอ็นดูก็ยอมยกบุตรีให้แต่เพราะเหตุที่ทาอะไรไม่เป็นเนื่องจาก เคยเป็นอยู่อย่างบุตรเศรษฐีจึงเป็นที่ดูมิน่นแม้แห่งภริยาของตนต้องกลายเป็นคนเลี้ยงลูกและเฝ้ากเกวียนเป็นตน้นในที่สุดทนต่อท้ายคำเสียดสีแห่งภริยาของตนไม่ไหวจึงเข้าไปหาหัวหน้านักฟ้อนขอให้สอนวิชาให้อาศัยความตั้งใจและภาคเพียนก็มีความสามารถยิ่งกว่าคนอื่นๆทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นบุตรแห่งเศรษฐีก็ยิ่งเป็นที่สนใจของคนดูเป็นพิเศษ บ่ายวันนั้นสุรเสนะได้รับอนุญาตจากท่านบิดาให้ไปกับสหายบางคนผู้เคยไปชมหมู่บ้านโกติคามด้วยกันเพื่อดูนักฟ้อนหลน่งนี้และได้ไปอาศัยเตียงซ้อนเตียงของผู้อื่นร่วมยืนดูกับเขาด้วยการเปิดโอกาสแก่สุรเสนาเช่นนี้เป็นความประสงค์ของทนิยะที่ต้องการให้บุตรของตนรู้จักเรียนรู้สิ่งต่างๆกว้างขวางด้วยตนเองส่วนทนยะ ก็คงคุมการค้าขายอยู่นักขบวนเกวียนซึ่งคงจะเนื่องจากมีคนมาชุมนุมกันมากจึงขายดีผิดปกติถึงเวลาจวนเย็นขณะที่ทนิยะสั่งเลิกการค้าสหายสองคนผู้ร่วมทางไปกับสุรเสนะก็วิ่งมา และล่ำละลักบอกว่าข่าวร้ายเกี่ยวกับบุตรของธนิยะว่าได้มีชายชะกันประมาณสิบคนเรียกสุรเสนะให้ลงไปข้างล่างแล้วช่วยกันจับมัดมือพาขึ้นมาพุ่งตรงไปยังกรงภยัยาลีตนมีกำลังน้อยไม่สามารถต้านทานอย่างไรได้เมื่อได้สดับข่าวอาไม่ได้เคยคาดคิดว่าจะเป็นไปดังนั้นทนยะถึงกับตะลึงนิ่งอื้องไปครู่หนึ่งมีแววตาเป็นประกาย ด้วยความรู้สึกว่าเป็นการข่มเหงน้ำใจกันอย่างรุนแรงจิตใจของนักรบได้มาสู่ทนิยะอีกคณะหนึ่งทำให้ฮืดฮัดว่าจะตามอารวาดให้เห็นฝีมือไว้บ้างความรักความห่วงใยในบุตรก็ท่วมท้นขึ้นมาผสมทำให้เพิ่มความโกรธขึ้นเป็นทวีคูณแต่พอฉุก ค, คิดว่าความโกรธไม่ช่วยให้ประสบความดีงามหรือความสาเร็จผลใดๆพุทธศาสนกชน จะต้องไม่ทำการใดๆด้วยใช้ความโกรธเป็นเครื่องมือจึงรีบระงับและเปลี่ยนสีหน้าให้ปกติไตรตรองหาลู่ทางที่จะแก้ไขเอาสุรเสนากลับคืนมาให้จงได้เมื่อรึกว่าตนยังต้องรับผิดชอบต่อหมู่เกวียนและชาวขับเกวียนหลายร้อยคนก็ทำให้เกิดความคิดสับสนกันหลายประการในทางหนึ่งคือเจนชายกันที่ได้ฝึกหัดอาวุธไว้ดีแล้วแยกออกจากหมู่เกวียน ไปเตรียมการต่อสู้แย่งชิงสุรเสนะมาให้ได้และถ้าจะต้องกลายเป็นโจนปล้นเมืองก่อความพินาศฉิบหายอย่าให้ใครมีความสุขได้ก็อยากจะทำให้สมแค้นและถ้าคนอย่างทนิยะเป็นศัตรูภัยาลีแล้วก็จะเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามคนหนึ่งแต่ความชิดอีกทางหนึ่งก็เกิดขึ้นมาว่าผู้ฉลาดยอมหาวิธีทาให้เกิดผลดีมากและมีทางเสียน้อยที่สุดดังนี้ความพืดทัด ที่จะกลายเป็นเรื่องข้าวฝันกันนั้นก็ระงับไปประกอบกับทนิยะเป็นคนไม่เห็นใจตัวเรื่องที่บุตรของตนถูกช่วงชิงไปนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวการจะนำํำมูชนที่เหลือมาร่วมต่อสู้ล้มตายเพื่อตนและบุตรของตนนั้นดูเป็นการตีราคาชีวิตบุตรของตนเท่านั้นว่าสูงยิ่งแต่ชีวิตของคนอื่นไม่สําคัญอะไรอาสละเพื่อแลกเปลี่ยนกระ บ, บุตรของตนได้ชาวขับเกวียนเหล่านี้ ม่ได้มีบุตรภรรยาหรือมารดาบิดาผู้หวงายคอยฟังข่าวอยู่เบื้องหลังดอกหรือบุคคลเหล่านี้จะรู้สึกอย่างไรว่าบุตรของตนสามีของตนหรือญาติพี่น้องของตนต้องเสียสละชีวิตเพื่อแลกชีวิตของบุตรนายกองเกวียนแต่เพียงผู้เดียวเรื่องส่วนตัวจะต้องเป็นเรื่องส่วนตัวจะเอาเปรียบให้ผู้อื่นมาเสียสละแทนตนนั้นหาใช่วิสัยของผู้มีธรรมไม่เมื่อตัดสินใจดังนี้ธนิยะ ก็สั่งเรียกประชุมชาวขับเกวียนทั้งหลายทั้งปวงโดยด่วนซึ่งต่างก็รีบมาฟังคําสั่งของทนิยะด้วยใจอันเร่าร้อนในข่าวเกี่ยวกับสุรเสนานั้นธนิยะได้ยืนขึ้นบนเกวียนของตนกล่าวกับคนขับเกวียนทั้งหลายว่าข้าพเจ้าเชิญท่านมาประชุมกันหน้าบัดนี้ เพื่อจะแจ้งข่าวเรื่องสุรเสนถูกลักพาตัวไปซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าผู้ลักพาไปนั้นคือทหารของเมืองไผ่าลีท่านผู้เจริญทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นเรื่องที่จะต้องการกันด้วยความชิดหรือด้วยชีวิตก็สุดแต่ความเหมาะสมแห่งเหตุการณ์จะเป็นไปข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่มีความเห็นแจตัวพอที่จะชุดรังท่านทั้งหลายให้มาร่วมเสียสละ เพื่อบุดที่รักของข้าพเจ้าเพราะการเสียสละดังกล่าวอาจต้องถึงกับเสียชีวิตฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้ติมพรุเป็นนายกองเกวียนคุ้มกระบวนเกวียนรับผิดชอบแทนข้าพเจ้าในการซื้อขายและในทรัพย์สินทั้งปวงข้าพเจ้าจะไปทํางานแต่ลําพังขบวนเกวียนจงเคลื่อนไปตามปกติซื้อขายไปตามวิสัยของคนค้าส่วนตัวข้า พ, พเจ้าถ้ามีชีวิตรอด ก็จะกลับมาสมทบด้วยถล้มหายตายจากไปก็ขอให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเพื่อนที่รักคนหนึ่งของท่านทั้งหลายได้ลาไปแล้วอย่าไม่มีวันคืนกลับมาอีกขอให้ท่านทั้งหลายจงปรองดองด้วยกันและอย่าดำเนินชีวิตด้วยความชั่วหรือความพยาบาทใดๆจงดำเนินตามหลักธรรมที่ชาวเราได้ปฏิบัติกันมาเป็นประจำนั้นเถิดมีเสียงอื้ออสับสนขึ้นในหมู่ชาวขับเกวียนทั้งหลาย จนไม่รู้ว่าใครพูดอะไรต่ออะไรบ้างในที่สุดก็ได้มีชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนเกวียนอีกคันหนึ่งตะโกนและโบกมือให้คนทั้งหลายหยุดฟังคำพูดของตนสหายชาวขับเกวียนทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าถ้าปฏิบัติตามความเห็นของนายกองเกวียนแล้วเราทั้งหลายจะอยู่ดูหน้าคนอื่นอย่างไรได้เมื่อถึงคราวสุขเราสุขด้วยแต่เมื่อถึงคราวทุกข์เรากลับตีตนออกห่างไม่ช่วยเหลือกัน ปล่อยให้นายของเราตายแต่คนเดียวสหายทั้งหลายชายผู้นั้นตะโกนด้วยเสียงอันดังแต่สั่นเครือเหมือนหนึ่งจะร้องไห้ใครเป็นคนแห่แจ่ตัวก็เชิญคุมเกวียนต่อไปข้าพเจ้าคนหนึ่งจะยอมสละมอบชีวิตแก่ท่านผู้มีพระคุณของเราเสียงโห่ร้องทั้งน้ำตาสนับสนุนชายคนนั้นดังขึ้นทุกคนตะโกนไม่ยอมแยกกับทันยะเป็นตายอย่างไรก็จะขอร่วมทางไปด้วยสหายทั้งหลาย ชายผู้ยืนอยู่บนเกวียนพูดต่อไปไม่ใช่นายของเราคนนี้ดอกหรือที่ถือเราเส ม, มือนญาติหรือเพื่อนฝูงฝึกสอนวิชาอาวุธให้จนคุ้มครองตัวได้ไม่ใช่นายของเราคนนี้ดอกหรือที่สอนให้ตั้งตัวได้ไม่เป็นนักเรงสุราหรือนักเรงการพานันอันจะพาเราให้ล่มจมตั้งตัวไม่ติดมีนายหัวหน้าคนไหนบ้างที่สละความสุขเพื่อพูดอยู่ใต้ปกครองเอาใจใส่ดูแลและไม่เอาเปรียบแม้ในยามที่ลูกของท่านเอง กำลังถูกศัตรูพาตัวไปเสียงโห่ร้องชูมือขึ้นเป็นประหนึง่งหมู่บ้านนาธิกคาคจะถลม่มทำให้คนแตกตื่นกันไม่ใช่น้อยฝ่ายทนิยะได้ประจักษ์น้ำใจของชาวเวยนทั้งหลายก็ตื่นตันอย่างบอกไม่ถูกยิ่งรู้สึกว่า คนทั้งหลายเต็มใจเสียสละเพื่อตนก็ยิ่งเพิ่มความรู้สึกรับผิดชอบต่อชีวิตของคนเหล่านั้นมากขึ้นจึงพยายามใช้ความสุขุมรอบคอบอ่านเหตุการณ์เฉพาะหน้าและตัดสินใจสั่งเคลื่อนขบวนแต่พลาันั้นโดยไม่ได้เหตุผลว่าจะจัดทำอย่างไรต่อไปชาวเวียนทั้งหลายผู้มีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของธนยะก็รีบปฏิบัติตามโดยด่วนแต่ในใจนั้นเป็นห่วงสุรเสนะ เละเพิ่มความเห็นอกเห็นใจจงรักภักดีในธนิยะในกองเกวียนของตนยิ่งขึ้นติมพลุขับม้ามาที่ธนิยะขอร้องว่าขณะที่มีความจำเป็นเรียบด่วนเช่นนี้ตนใคร่จะขอให้ธนิยะขับมา้านํากองป้องกันซึ่งมีม้าและอาวุธครบมือล่วงหน้าไปก่อนมอบให้ใครคุมกระบวนเกวียนตามไปทีหลังเพราะถ้าขืนรอเกวียนอยู่ก็จะช้าเสียการแต่ทนยะคงปฏิเสธ ไม่ยอมให้กองมา้าล่วงหน้าไปคงนั่งขับเกวียนมุ่งไปสู่กรุงไษ่สาลีอย่างเต็มไปด้วยการใช้ความชิดปล่อยให้ติมพรุชักมา้าบกปรับไปกลับมาหลังขบวนด้วยความกระวนกระวายใจเมื่อได้พยายามอ่านเหตุการณ์และความมุ่งหมายในการจับตัวสุรเสนของทหารชาวเมืองไษ่สาลีแล้วก็พอจะเข้าใจเรื่องขึ้นบ้างอย่างแน่ใจเพราะธนยะเป็นนักรบและเคยผ่านไผาลีบ่อยครั้ง จึงชำนาญภูมิประเทศเหตุการณ์ตลอดจนรู้จักบุคคลผู้เป็นกำลังทหารของภัยาลีเป็นอย่างดีขณะนั้นตะวันตกแล้วความมืดค่อยแผ่คลุมไปชั่วบริเวณแต่กระบวนเกวียนยังคงมุ่งหน้าไปสู่กรุงภัยาลีอยู่เรื่อยๆในไม่ช้าก็ผ่านริมป่ามะม่วง ของนางอัมพปาลีซึ่งขนานกับป่ามหาวันอันเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมศาสดาถัดจากนั้นไม่ไกลนักก็จะถึงประตูเมืองไผ่สาลีซึ่งในยามวิกานเช่นนี้ก็ปิดสนิทมีทหารเฝ้าอย่างเข้มแข็งานิยะสั่งหยุดขบวนเกวียนในที่ใกล้ป่ามะม่วงนั้นพร้อมทั้งสั่งให้จัดขบวนเป็นพิเศษมีกองคุมตรวจตราอย่างเข้มแข็งเมื่อจัดเรียบร้อยแล้ว จึงให้หุงหาอาหารบริโภคกันแม้จะผิดเวลาไปบ้างแต่ก็ดูเหมือนชาวขับเกวียนจะตื่นเต้นต่อเหตุการณ์จนลืมความหิวไปได้ชั่วขณะครานแล้วก็มีคำสั่งให้พักผ่อนหลับนอนตามปกติห้ามไม่ให้ผู้ใดออกนอกบริเวณขบวนเกวียนถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นให้คอยฟังคำสั่งก่อนธนิยะได้เรียกติมพรุมาสั่งความหลายประการครานได้เวลาประมาณกึ่งมัชิมยามธนิยะ ซึ่งแต่งตัวรัดกุ่มอย่างนักรบก็ออกจากขบวนเกวียนพร้อมด้วยชายหนุ่มหลายคนซึ่งเตรียมแบกหามเครื่องใช้บางอย่างมีไม้ไผ่ลำยาวสี่ลำลูกบันไดเชือกและไม้ขันชะนอเป็นต้นเดินหายเข้าไปท่ามกลางความมืดแห่งรางตรีเมื่อได้เดินเลาะเลียนไปตามกำแพงเมืองอ้อมไปทางด้านทิศที่ได้กำหนดไว้อันอยู่ห่างจากประตูเมืองและเป็นทางที่ใกล้บ้านของคนคนหนึ่ง ซึ่งหมายใจไว้ว่าจะไปทำอะไรแล้วก็สั่งให้ชายหนุ่มเหล่านั้นจัดเครื่องใช้ที่เตรียมมาอันประกอบกันเข้าเป็นบันไดา ย, ยาวพาดปีนขึ้นไปสู่กำแพงซึ่งสูงชันและนําบันไดอีกอันหนึ่งทอดลงไปสู่เบื้องล่างมีคนคอยคุมทั้งสองด้านเสร็จแล้วทนิยะก็ขึ้นสู่บันไดนั้นแล้วปีนลงไปในเมืองพร้อมช้งได้นาชายหนุม่มที่แต่งตัวรัดกลุ่มผูกสอนอาวุธซ่อนไว้ในกาย เป็นอันดีติดตามไปด้วยห้าคนด้านหลังของบ้านใหญ่โตเป็นเรือนยอดกว้างขวางที่กำหนดหมายไว้นั้นติดกับกำแพงเมืองยังไม่ได้มีการระแวดระวังแต่อย่างไรส่วนเบื้องหน้ามีทหารยามริงรายและตามประทีปสว่างอยู่ธนิยะแจกสิ่งหนึ่งแจ่ชายหนุ่มทุกๆคนให้เคี้ยวกินและตัวเองก็ได้เคี้ยวกินด้วยเสร็จแล้วจึงได้สารวจทิศ ท, ทางลมและได้นาไม้สีไฟ ซึ่งเตรียมไปพร้อมกันนั้นสีไฟติดเข้าที่ชุดแล้วก่อกองไฟกองน้อยๆโรยผงบางชนิดลงไปในกองไฟให้ควันลอยไปทางบริเวณบ้านนั้นคอยทีอยู่นานพอสมควรแล้วก็ดับไฟชวนชายหนุ่มทั้งหลายเดินเข้าไปในบ้านนั้นอย่างอง อ, งอาจเมื่อได้ขึ้นบันไดด้านหลังของเรือนยอดแล้วก็เดินเข้าห้องนั้นห้องนี้ตามชอบใจ เวลาต้นปชิมยามแห่งราตรีทนิยะพร้อมด้วยชายหนุ่มห้าคนก็ออกจากบ้านนั้นและชายหนุ่มสองคนในห้าคนนั้นได้ช่วยกันอุ้มเด็กหนุ่มคนหนึ่งผู้หลับหรือสลบอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาด้วยเมื่อได้ปีนขึ้นบันไดได้ข้ามกำแพงเมืองและหรือบันไดเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วก็พากันเดินกลับมาสู่ขบวนเกวียนติมพรุรุซึ่งนอนไม่หลับเฝ้าคอยอยู่ก็ออกมารับเมื่อได้รับฟังคําสั่งจากทนิยะบางประการแล้ว จึงรีบนําเด็กนมที่หลับและมีผู้หามานั้นเข้าไปไว้ในเกวียนกลางขบวนและได้จัดยามเฝ้าไว้อย่างกวดขันทนิยะก้าวขึ้นสู่เกวียนของตนอย่างโล่งใจที่สิ่งทั้งหลายอันตนทำได้ตามที่กำหนดไว้ทุกประการแต่เมื่อรำลึกถึงสุรเสนะผู้เป็นบุตรสุดที่รักก็ไม่วหวรันทดใจแม้ราตรีจะมืดมัวมองไม่เห็นเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มของเขาซึ่งวางอยู่บนเกวียน แต่ใจก็รู้อยู่ว่าสิ่งเหล่านั้นวางอยู่ที่ตรงไหนรำพึงไปถึงว่าสุรเสนาเป็นเด็กกําพร้ามารดาและเป็นถึงบุตรของผู้ที่ควรครองประเทศแต่ต้องมาพเนจรเป็นคนค้าต่อสู้กับลมแดดและป่าดงพงเขาประกอบกับเป็นเด็กที่อ่อนน้อมและหมุนละไมเคารพเชื่อฟังบิดารู้จักถนอมน้ําใจไม่ให้คุนเคืองมีอะไรที่จะรับใช้ได้ก็รีบขวนขวายจัดทำ มีต้องรอให้สั่งใช้หน้าตาและผิวพัธุ์ก็งดงามมีลักษณะสมเป็นผู้สืบสกุลแห่งกษัตริย์ทนิยะคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็อถอนใจเป็นห่วงไปว่าป่านนี้จะเป็นจะตายร้ายดีอย่างไรบ้างยิ่งนึกไปถึงเหตุการณ์บางครั้งที่ตนนั่งให้สุรเสนะนอนพาาศีรษะมาบนตักพลางลูบผมบุรน้อยที่ความเอ็นดูตามระษาบิดากบุรผู้เห็นกันอยู่เพียงสองคนในโลก ธนิยะก็กระสับกระส่ายหนักขึ้นแต่ครั้นแล้วด้วยวิสัยของผู้ได้รับการอบรมมาดีให้มีหลักธรรมประจำจิตธนิยะก็รำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สอนให้เห็นชีวิตเหมือนความฝันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ตามเพราะผ่านพ้นเป็นอดีตไปแล้ว ก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นจริงเป็นจังนอกจากจะย้อนเป็นนึกทบทวนเล่นเท่านั้นอารมณ์ที่รื่นเริงที่สุดหรือทุกข์ระทมที่สุดซึ่งคนทั้งหลายนึกว่าเป็นของจริงแท้แน่นอนเฉพาะหน้านั้นพอผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่มีค่าอะไรยิ่งไปกว่าความฝันเลยถ้าย้อนชีวิตร้อยปีให้เหลือเพียงหนึ่งวันการที่คนเกิดมาเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีสามีภรรยาบุตรธิดาและก็แฉเท่า และในที่สุดก็ตายจากกันไปนั้นดูก็ไม่ผิดอะไรกับสิ่งซ้ำซ้ำซากๆที่วนเวียนเป็นรุ่นรุ่นอยู่ทุกวันทุกวันเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกไปแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ตกไปอีกถ้าอาดีตเป็นของเลวไหลปัจจุบันซึ่งกําลังกลายเป็นอดีตก็จะถึงความเป็นของไม่จีรังยั่งยืนไปด้วยแม้อนาคตซึ่งจะกลายมาเป็นปัจจุบันแล้วจะกลายไปเป็นอดีตก็คงเช่นเดียวกันพอนึกมาอย่างนี้ ธนิยะก็คลายความวิตกกังวลรู้สึกว่ามีใจปลอดโปรง่งและหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเวลารุ่งเช้าได้มีการโกลาหนภายในบ้านของพีมะเซนะแม่ทัพหน้าและผู้เป็นประธานการสอดแนมทั้งปวงของแควนวัชชีรองจากสิหเซนาบดีพีมะเซนะ เป็นผู้กำหนดแผนการทั้งหลายเสนอให้ศซนาบดีทราบและมีจารบุรุษทั่วทุกแวควนใกล้เคียงรู้ความเคลื่อนไหวของพ่อค้าและทหารซึ่งจะเดินทางหรือกำลังเดินทางไปมาผ่านแควนนั้นแควนนี้เป็นอย่างดีผีมาเซนะรู้จนกระช่งว่าทานิยะเป็นเพื่อนของจันทรายนะมหาอัมมาถ่งแควนมคตและเป็นพ่อ้าเกวีที่มีความรู้ความฉลาดและระวงระวังว่าอาจเป็นไส้สึก ให้แควนมคตได้จึงสั่งคนให้ส่งข่าวความเคลื่อนไหวของขบนวนเกวยนเป็นระยะระยะในครั้งหลังเมื่อทราบว่ามาถึงนาที่กะขามแล้วจึงได้ส่งทหารไปจับตัวสุรเสนะผู้เป็นบุตรของธนิยะมาขังไว้ในที่แห่งหนึ่งเพื่อสอบถามและขู่ให้บอกความจริงเกี่ยวกับแควนมคตและอีกประการหนึ่งก็จะได้เป็นเครื่องประกันมิให้ทนิยะก่อการใดๆอันเป็นภัยแจวัตชี ด้วยเป็นห่วงว่าบุตรที่ถูกจับจะเป็นอันตรายในหัวข่ําที่ล่วงมาแล้วพีมาเสนายังสนทนากับพริยาอย่างร่าเริงถึงความสําเร็จในการจับกลุ่มสุรเิเสนาผู้เป็นบุตรของทนิยะมาได้โดยไม่เสียทหารและไม่มีใครกล้าขัดขวางพริยาของพีมาเสนาก็พลอยชื่นชมในความรอบคอบและความสามารถของสามีไปด้วยแต่ครั้นถึงเวลาเช้ากลับปรากฏว่า บุตรชายอันเป็นที่รักของตนได้หายไปอย่างไม่มีร่องรอยใดๆก็เกิดความตื่นเต้นตกใจสั่งให้ค้นหากันทั่วบ้านและบริเวณใกล้เคียงเมื่อติดตามค้นหาอย่างไรก็ไม่พบจนสายเช่นนั้นปริยาของพีมาเสนะก็ร้องไห้ฝุมฟ่ายรำพันถึงบุตรพร้อมกับเร่งสามีให้ติดตามมาให้ได้พีมาเสนะก็นึกไม่เห็นว่าบุตรชายของตนจะหายไปที่ไหนได้ยิ่งพูดถึงว่า จะมีใครกล้ามาลักพาตัวไปก็คงจะต้องอยู่ในกรงภัยสาลีนี่เองคนภายนอกหามีโอกาสเข้ามาได้ไม่เพราะได้สั่งกวดขันเฝ้ายามกันทุกประตูมิได้ประมาทแม้ทหารยามที่เฝ้าหน้าเคหสถานของตนก็ไม่ได้เห็นผู้คนแปลกปลอมเข้ามาจึงเป็นอันจนใจและรู้สึกมืดมนมิรู้ที่จะทำประการใดยิ่งเห็นภริยาคร่ำครวญรบเร้าหนักเข้าก็กัดกุ้มนัก ยืนกอดอกเดินไปมาอยู่ในบ้านแล้วก็นั่งลงครู่หนึ่งก็ผุดลุกขึ้นอีกเล่านานๆจะมีนายทหารเข้ามาและแต่ละคนที่เข้ามานั้นก็บอกแต่ว่าเที่ยวสืบถามดูแล้วไม่ได้ร่องรอยอะไรเลยกล่าวถึงเหตุการณ์ทางกองเกวียน เมื่อรุ่งสว่างและขณะที่ชาวเกวียนทั้งหลายกำลังหงหาอาหารอยู่นั้นทนิยะได้เดินไปที่เกวียนกลางขบวนอันได้คุมตัวลูกของพีมาเสนาไว้พอดีกับเด็กหนุ่มตื่นตาลืมขึ้นเห็นตนมานอนอยู่ในเกวียนก็แปลกใจทนิยะจึงกล่าวว่าดูก่อนมานุฉันต้องขออภัยที่นำเธอมาไว้ในที่นี้แต่ขอให้ความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าเธอจะไม่ได้รับอันตรายใดๆ และจะได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างตลอดเวลาที่พักอยู่ณที่นี้เธอคงจะทราบแล้วว่าบิดาของเธอในพรากลูกชายของฉันผู้เป็นพ่อคาไม่เกี่ยวข้องกับการบ้านเมืองหรือการทหารของแควนใดๆฉันเป็นคนช่างสงครามและสนับสนุนสันติแต่บิดาของเธอก็พยายามดึงฉันให้เข้าไปเกี่ยวข้องจนได้ทั้งยังพรากลูกชายอันเป็นที่รักไปอย่างใจเย็นมีอะไรนึกถึงว่า ฉันผู้เป็นบิดาจะรู้สึกอย่างไรบ้างดูก่อนมานกถ้าเป็นสมัยก่อนที่มือของฉันยังต้องการให้โลหิตแปดเปื้อนอยู่การตอบแทนด้วยความพยาบาทมาดหมายก็คงจะเกิดขึ้นอย่างน้อยในขณะที่ฉันเข้าไปถึงในบ้านของเธอได้ชีวิตหลายชีวิตก็คงเป็นพรีแก่ความพยาบาทอาฆาตนั้นแต่ฉันต้องการเพียงสอนบิดาของเธอให้รู้ว่าความรักลูกนี้คนธรรมดาทุกคน เขามีความรู้สึกกันอย่างไรแล้วนำใจของผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับใจของตนดูบ้างกับอีกประการหนึ่งฉันต้องการที่จะได้เธอมาเป็นเครื่องประการความปลอดภัยแห่งลูกชายของฉันหรือเพื่อแลกเปลี่ยนกันก็ได้ดูก่อนมานพบฉันจะดาเนินการในวันนี้บางทีเธออาจจะได้กลับบ้านแต่เวลาที่ประตูเมืองยังไม่ทันปิดครั้นแล้วทนิยะก็เดินกลับไปสู่กุเยนของตน ปล่อยให้มานพนั้นนั่งอยู่ในเกวียนด้วยความชิดต่างๆมีชายหนุ่มร่างกายกำยำไม่น้อยกว่าสี่คนคอยควบคุมอยู่อย่างเคร่งครึมตลอดเวลา